นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขันติหิตะสุขาวะหาติพุทธะปรินิพานะโตปัฏฐานะสาธ้โวฟังดุราภพมิออักษทธาตั้งหลายนับตั้งแต่ พระเจ้าเข้าสู่นิพพานไปบัด น, นี้ศาสนาหลงแล้ ว, วสองพัหารยห้าสิบห้าภษาปัจจุบันสมัยหมายว่าเป็นปีพุทธศักราชสองพัหรอยห้าสิบกเดินสามออกเจ็ดคำแม่นตัดกวันตีสิบเก่าสิบสองเดินสองนสสองเข้ามาปีนี้ ดังอุตุลูกที่ได้เตเตศสนาธรรมว่าด้วยเริงขันติความ อ, อดกันอดเยอนนั้นนำเอาความสุขความเจริญมาฮือเก่ปผมเมียกสัทาขอโจรผมเมียกสัทาจงตั้งใจสดับราบฟังสืบต่อไปป่านาในวันเมื่อนี้ถือว่าเป็นวันโทนหา ในปางเขาปริวาสกรัรมฐานาตีวัดม่อนเรือของเฮาตีนีเหลือเศษเป็นวั่นโทนหาเขามาซ้ำเป็นปอกโทนตีหาแทงซ้ำปันาตีอุตุลูกมาเตเตสนธธรรมเนปปมเมอกสัทาะกนาก ร, รมมากานตุปีระปีเข้าประกาศไว้ที่เหมือเจ้าอ่ะ ปร ก, กาศไว้หลายวันหลายก็เคยได้ยินเสียงมาหาเสียงเด้งเกยหันหนาวันนี้มีออกสัทธามหารเท่ า, าหนุ่มมากของผู้เหมืนอนก็ได้ยินเตะเสียงเต็มเกยหันหนาเหมืนอนก็พอผู้จักพอหันหนาก็กับผู้เสิร์นก็นเดียวเอาตุ่ปีมาเยาะเซิร์นให้บ้านนายเจ้า ผมจ่ายตุปีเขานะเมียกเขากาะข้าบุกเสิรน่ะวันนี้ปู่แสนเฮาประกาศไว้อันตังเพราะว่าติมมีเฮีอิดก็โกสัทธาได้จำเพราะว่าถูกใจน่ำเกาะโก้มแม่นใจป๋าถูกใจหน้าก็กมแหม่นใจเข่าถูกใจคันเท่ากาก้มถูกใจไม่ห่างนางสาวอาตังปุลเป็นไม่ห่างอันนั้นหะ อันนี้เข้ามาสู่ปางปริวาสก ร, รมอ่าเป็นปอกโทนตีหตอกนาตีมาเตสนธรรมในข้อปาลีตีได้กล่าวขึ้นมาเบิ้งตอนนั้นว่าขันติหิตะสุขาวหาความอัดยืนอดการ น, นั่นนำเอาความสุขความเจริญมาฮือ ปมมีอกสัทถามาฟังธทำก่ออัดกันเป็นตู้เป็นผ้าก่อไลายอดัดเป็นปมมีอกสัทถาก่อลายอัดลายกันความแหกการตั้งหลายกันหน่กรกรรมาการสัทถาปลายบานหม่อนเรือของเฮานี่เขาแหกการตั้งหลายตึอนที่มีกรรมฮีตึนที่มีกรรมนีหนึ่งปากก่อสองปากหนึ่งเสียงก่อสองเสียงตึอนที่มี ถ้าเรามีขันตีอัดกันนั้นการกลมเป็นการการเข้าปริวาสกรมกลมเกิดขึ้นใดผมเมยออกสัทธาสร้างนาหอต่อเฮินผมอัดกันต่อกำฮีกำเนนาหอต่อเฮินกลมจางขึ้นใหญ่ไดฉะนั้นภายอัดกันไดเนี่ยนําเอาความสุขความเจริญมาหือตุปีเข้าตั้งหลายอันซึกไปเป็นปีนานเนี่ยย้อนเปมืีกความอัดกันนี่แหละจึงได้ซึกไป วันก่อนไวยสาคูบาถามโหขมไ ว, วยสาถามคูบาค่ะคูบาเฮ็ดฮื้อเลยอยู่มาปวดเทาค่ะคูบาคูบาตอบว่าออดเอาไก่มหาฮื้อออดเอาไก่เอขันติตัวเดียวคูบาก็ออดมาอยู่มาได้ปอเทาเหมือนกัก้มเกาะออนาประกลมพวกเขียวเมียกศรัทธากว่า ผมใจอดธรรมดานะกรมยาดน้ำมีบอดหนึ่งว่าเฮาหยาดน้ำปันยาที่ปีนองอันใดมางจากขันท่าไปสู่พระหลกงปลายนาว่าเมื่อห้อนบาได้อาบเมื่ออยากบาได้กินเสยหยละอันก็ดีมาพิจารณาตัวนี้อ๋อเป็นตุกปีเขาหน่เมื่ห้อนกมนได้อาบเมื่อยากกมได้กิน เปิดเปิดเพลงตึงตึงตั้งตั้งเขาปลา่อยเขาขมจังเขาจอมเปื่นอยู่ประตูป่าสร้างให้หงอกคอเธอไงได้อัดได้กันครูบาอาจยากเขาเจ้ากอใจอันออดอันกันนี่แหละจังที่อยู่มาปวดเท่าใดผมมีออกสัตยาสร้างนาหอตอเฮืร์นเจริญขึ้นใหญ่ไปตังนาก็ย้อนมีอันออดกันผมออดกันก็อยู่มไหล่ เฮ็ังอินก็เปิรนหิเฮ็ังอินก็เปิรนนีเมีย อ, อกสัทธาบอเขาไว้ใจว่าอันอันหีบเนนั้นมีบะควันอันเปิรนหี่เนนั้นมีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้ายังดรอดตังหิต่อพระพุทธรูปอันไว้อยู่ปลายหลังนี่มันปากมันเสียงก็ยังมีควันมาหิเพีอินไข่จามด้วยควัน ม, มนุษย์สลก ข้าที่โมฮีเอกหือหนึ่งมาปันพระพุทธรูปองหนึ่งงามว่างามปลอเมียกศรัทธาไหวตางเผสี่ผ่ายงามล้นทนปริปุนนาถูกต้องตามมหาภูริสากคณะตั้งเซงตั้งมณอยะก็หนึ่งผ่านมามาคอยโดยอาพัตเจ้านี่โหมันข่เงียอีกหนึ่ง เพอินก็มาลิมมาเมคือมันจ่ายมาทางอีหนึ่งก็ผ่านมาแทงมาหันใส่อ่ะหูมันปอดไปอีหนึ่งเพียอินก็มาจันหูยาวทางอีหนึ่งก็ผ่านมาแทงมาตัวอ้าใหญ่ไปหนึ่งตัวมันจอดเลยมายอมันหน่อยทางอีหนึ่งมีก้อนหนึ่งมาตัวอ่ะโล่งงามอ่ะ หาตีหิเมียแข้มไหนยะก้อยแต่ว่าเสียได้เมียวหนึ่งหมอปากกำขอนก่อพระพุทธรูปอันให้หรือปากกำขอนเออเมื่อนี้ก็ยังหิปลเมียวศรัทธาฉะนั้นเอาเฮดการนาหอโตเฮินก็ดีก็อที่ใดมีตังฮิตังเนเอากรรมอดกันขันตีนี่ใส่จิตใส่ใจจังที่ไดอยู่สืบต่อไปไปหนาคือการกรุงรึง ในกากูโผกูเมก็เหมือนกันเยา้วผมหยองสัทธาวันนี้ในการติดติเ ต, ตีสตีสนาทำรรนี้ว่าได้เรื่องกูโผกูเมีหนึ่งเนือจานอยู่ตั้งหลังป้นอย่าพี่กังสอดขึ้นมานะตักปีมยามีเมที่เม่าอะไรเจออ่ะพีว่าว อ, อย่าพี่กังว่าเตอออกในธรรมมือ น, นี่ที่ว่าได้เรื่องทำกรรมฐา มาดก่อนเงินก่อนคำว่าด้วยทำ ร, รมสอนสอนโผสอนมีว่าด้วยเรื่องโผผิดเมยักโผเกี่ยวมีเสียงในนี้กที่มีโผเกี่ยวมีเสียงอยู่ก็แต่ว่าโผผิดเมยักกฏติมีก่างพอเป็นศรัทธาหมนเถอเต่มีเสือมีโผผิดเมยักเนาะถ้าอดกันไหน่ นาหอตเฮิรนกอบกุ้งก่อนนั้นมีเม่ออกก้อนหนึ่งซับห้าปากจําดาลูกลาเต้าดาเจ้าดาผู๋ผูผมแงมอยู่เฮินน่ะกล่อมเมียเซต่าป่ายไปนอนวัดตีวานิมใจเซต่าที่เฮาเนอเป็นเซต่าต่างตีผูผมขามอยู่เฮิรนป่ายมาอยู่วัด มาวา่าคือตุลุงฟังตุลุงขาโอ้เมฆขนี่ปากให้ปากจำขาไปไหนมากขำอินกมไหลามาถึงปัตตุบาลกบบด่าอ่ะวา่าเนียเมยออกโคมา ถ, ถึงปัตตุบาลจะไม่กังดาแต่นะครูบากรํำฟังไว้พะมีเมฆออกนี่มาวาัด ก็มาไข่เนื้อคูบาว่าโผขามันตื้นเอวให้เฮิรนกลมปอกว่าคูบาก็ฟังเป็นสั่งเพราะจันนนี่ไม่ออกพราะไข่หือโผปอกเฮิรนนี้มีอยูการถายดีหน้ำมันพิเศษเมี่ยวศรัทธาโผก็ไหนไม่ปอกเฮิรนก่อนมาขออะไรไหนกรรม มีกาถาดีมีน้ำมอนพิเศษปั้นมือน้ำมอนกอกนี่เมอออกอย่าปเปรี้ยวไปแพดอย่าเปี้ยวไปไหวเนื้อขิงติวดาแต่ว่าน้ำมอนอันนี้คือไรออมไว้อย่าพีอืน่นเวลาหันผูนี่ออมกันเดียวเมอออกนี่ก็เอาปอกมือ พอบอกไปถึงเฮืรนแล้วก็โผเขาเฮินมาคุกจั๊ะไหไรเอานามมอนมาอมไว้ที่ด่าผมจังด่าเพราะว่าน้ำอยู่ในซับแบบไม่ออกอวัดไรอึนแปดลาพิษกันแท่งบอกมาหาตุลุงอ้าตุลุงนามมอนจะหนีมัพะกัดตือ ใคายังพิดกันอยู่อ่ะผัวข้าก็ม่บอกมาเหรอเน่ะเทียดหือดีวะตูลุงก็ซ้ำปั่นเมื่อแทงไม่ออกแค่หือแหละเลยพิดกันแทงกวข้าอดไม่ไรอ่ะเจ้ว่าหันมันมาปายาดปายากกวอื่นว่าได้วกวาดลากนันเดียวค <laughs> ำนี้อย่าพี่อื่นเนอ้อทำก็ห้ามทมเฮ็ดอีกูวันกูวันกูวัน เปิดฟึกขันติความอดกันโผปอกมาถึง ห, หันเมหนั่งอมนํายุ่มจุดกูดอยู่เออมื่อนี้เมใจดีดาขอมลาป้เม่ป้องล่าหลายวันหลายวันสืบมือสืบวันไปจากวันเป็นปาติดจากปาติดแผ่นเดินเม่มีขันตีอดกันป้องล่าโผก่ปอกตามเวลาปอกมาเฮิน มีออกซทธาก่อนไหนผู้ปอกลาปลอกขำ ม, มาหอมมาเฮิน์นมานำมอญมนเนื่องที่ใส่ปันก็กกอกกอกกอกนำมออันนี้ใจออมนะฮะฝึกขันติปอดกันไว้กึต่อเฮทติพิทิถึงกันเนี่ยกึต่อมือหักกันใหม่ๆหม่ซัทา ยามหักกันใหม่นั่มพักตอมยังหวาหวานยามหักกันผ่านไปแล้วหึงนานหนังแข็งแขงยังวหวยานบอกไข่ตุยอันนี้คืออะไรคิดถึงขวดติจ้าที่พิติเถีงกันคือมีคำขันตีออดกันบ่เมียวศรัทธากันโผจ้ามาก็คือเมว่ากรรมดี กันเมจ้ามาใจดำมาก็คือโผอัดเอาติมได้พิษได้เถีงกันไปต่างหนาเกิดต่อเมื่อหักกันใหม่ๆกินเข่ากับจิ้นก๋อมจังเปใจขากินเข่ากับป๋าก๋อมจังเปใจขา้าคำเสิร์ฟเขามีนะอันนี้แบบเป็นกั้มโยโย่ไปกันเลยเมื่อได้เหล็กเลกินเข่าปีกลางปีแก่ปีหนา จังที่เป๋ใจขีนค้าคำหักนางเหยแม่นวาไลกินข้าวกับจิ้นก็อยำจังเปใจร่า ได้กินข้าวกับป้าก็ยำมั่จังเปใจขาวันใดและได้กินขา้าวปีกลางปีแก้มปีนาจังที่เปใจกินขาข้ามักนางเฮ้ยเอยเอปีเสนอปอดหนึ่งกันเนี่ยกรรมมียกศรัทธาอันลุกตีไก่ไปติยาวมาตั้งใจมาฟังเสรอนเหมือเจ้าตุปีเขาประกาศ เจิญโจรปรมีออกสัทธาเข้ามาฟังธรรมคือปีสามแป้งไหวอยาปี่ว่าพระกาศมาฟังธรรมสัทธามโป้ไข่มาคือพระกาศว่าจูนกันมาฟังเสือนเลยสัทธาจังตีมาปรมีออกสัทธาคือมีขันตีอดกันในการสร้างนาหอต่อเฮือนนั่น มีภัยเดมหลอดตังฮี่ตังนีพระพุทธเจ้าก็ย้ำหลอดตังฮี่ตังนีเมือ่อฝังพระเจ้าอยู่นั่นมีนางยิงก็หนึ่งงามว่างามอ่ะในหลกสองสารนี่ก็มีภัยเพลิดเพนนางระยั้ว จือว่านางมากันติยาซาขวยยซาธีคนห่ังมีแผ่นดิมาขอกลมปัน่นไยมวะ่ะโผอมันนางนี่งามหนเย้าอ่ะก็ไหนมาขอกลมว่ะกึ่งกับหลุกสาวขาอ่ะก็ไหนมาขอกลมกึ่งกับหลุกสาวขาอ่ะกำนี้มื้อหนึ่งวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าแอวเตี้ยวมาเป็นที่บาดเขาในเมืองนั่นผู้เป็นป่อไปหันใส่ไปหันใส่พระพุทธเจ้านี่งามลูกรูปชมนมพันวันณนาอันงามห้องหือเกิดกันอารมอย่างกันแน่เจ้าอย่างกันแน่ข้ามีลูกสาวก็หนึ่งงามหนาข้าจะมาอาบพันเจ้ากรำเนียก็ไปห้องเอาลูกสาวมา เอาหลูกสามาไวพระพุทธเจ้าถึงตีติวัดกรม น, นีงามปอปานดนังนางมากันติยานี่พระพุทธเจ้าว่าเอ้ามีตึงโตมีกากีมีออกั์แทเขาจังถังมีขีแต่หก็มีขีโหตาก็มีขีตาดังก็มีขีหมูซอบ ก็มีคีเคียวเหมือนตีคำลำวงเขาว่ายยุ่มใส่เคียวคมเหลืองเซอรน่เหลืองเออะเมอแะแไลแมนตู่เหม็นเคียวหนึ่งตึงต้งโตมีกาขีเอาอพระเจ้าเอาอ่ะกันนี่นางมากันตียาก็เป็นอันเจ็บจำนำใจเสียเปอกขึ้นมือวายลุนมาลาแป้น ไม่เหสีเป็นแม่น้อยของพระเจ้าเมืองตินั่นจ้างควันมาด่าพระพุทธเจ้าอยู่ตีไหนก็คือเปิดมาด่าควันโหกุดหางขาดโหลุน่นแอวซ้อยอนกินเปินเป็นวัวเป็นไายเป็นหมูเป็นห ม, มาแอวหาด่าพระพุทธเจ้าอา น, นันตถินจอมหลังพระเจ้าอยู่เศษเศนอัดไหลก็เมียกศ ร, รัทธา วันใดโจนพระพุทธเจ้าป่ายว่าไว้สาขาพระพุทธเจ้าขาเขาป่ายว่ามาเมืองนี้นี่เปิดด่าเขาปทานีพระพุทธเจ้าว่าอานันตถินต่างที่ไป่ายไปที่ไหนเขาก็ไปแทงเมืองหนึ่งเออปองเมืองนั้นมีควันดา่าแทงหนูเขาก็ป่ายไปแทงเมืองนึงเออเฮ็ดีตีเตียๆๆๆพระเจ้าตรีสนามธรรมไว้ว่า มกุณีปายแบบผมเหี่ยวกษตากนใจขันตี อ, อดกันการเฮ็ดการสร้างเผยเผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้านั่นเหมือนจ้างลองสู่สองข้ามว่าบผมเหี่ยวกทตาจ้างอันเปิลขี่เหนือข้อเข้าไปตึกไปฟันนี่หอกมาตั้งตีซาตั้งสี่ปุ่งเข้ามาดาบมาปืนมากลมเลี่ยนไปข่ามโตตายในสองข้าม การเผยแผ่ศาสนาของพุทธเจ้าก็เหมือนอันเล่ก่ากับผันผ้าอนันตถินพระพุทธเจ้ากล่มหลอตังหีพอมีอกศรัทธาได้สร้างนาหอโตเฮิร์กเหมือนกันกลมหลอดต่างหิการแหกการสร้างเขาได้มาพร้อมเสียงเปล่งปากเข้าปริวาสกรรมในปีนี้นั่นกลมหลอต่างหีไรก็เต้นที่มีเปิดหีเปิดเนื้ ก็แตว่าเฮาที่ใดมีขันตีอัดกันอัดยืนในการสืบแพทย์ ส, สืบซ่างคือคืนใหญ่จเจริญไปต่างนาเขาแฮดดีปากหนึ่งเฝันหันดี้ให้ซิปหนึ่งพอเอาอันหันดีนันมาเป็นเฮียงใจใหญ่เอาอันหันดีนันมาใส่จิตใส่ใจมัามำเฮ็ดมันขสร้ า, สางยอมการไปการนั้นขมจังเป็นไหลจังจเจริญขึ้นใหญ่ได้ ในการสั่งนาหอต่อเฮือนนั่นผมเหยวะัทธาคือใดแฮ็ดเหมือนดังผู้แกวมีแสงว่าออกในหมาดผมเหยวะซัทธาจังยามเกยฟังหือหมาดกว่านเงินกว่านคำเงินคำนั่นมีกว่านไว้ถ้าเฮาเฮ็ดดีเป็นซิรีมังกละกับหอกับเฮือนเงินคำก็ออยู่จอมเฮา มันป่ายมันุ่งไปไหนแก็บหอเผดเทินฮือดีเพราะว่าแก็บหอเผดเหินดีตีวดาก่อหักษาขันก่อหักมีสถีก็หนึ่งใครได้ลูกไปใครได้ลูกไปแลเอาหมักจุกใส่ล่อโทนี่โทไปจอมหอมบ้าน ว่านางเอ้ยใจยเอ้ยอาสาวเฮยไพ่ข้าได้หมักจุกนี่เอาขาง่วงมาแหลกเอาต่างก็เป็นสาวอีน้อยอีนางในวันในคงเลี่ยนจนกาขางวงมาแหลกเอามาน้ากบปั้นนําอ่ะเหมือนก็มาเป็นกำเหมือนก็ใส่ถงย่างหลวงมาแหลกเอาหมักจุกนั่นมีอีนางก็หนึ่งลายมาอีหนึ่ง ว่าอีลุงเอ้ยว่าเฮือนอูนี่มีขางอองไปเอาเฮือนป่อเฮือนเม่สองสามเฮือนกันเอ้จังไดมากันนีกอะปั้นหมักจุ๊กของเราหึงนานสถีก็นี่ไปมันไปขอขอบกำมอานางกนนี่มาเป็นหลุกไปเฮือนมีข่างอง่องกล่องซังเมี่ยงเขาใกลเหตุการณ์ก็คนเฮือนเมืองแงนโวยตังเนือเป็นขา ง, งโอโยดอาญเตยาเคีย เฮิรมีขางองไกล้ปัดหอปัดเฮินใกล้เหตุการณ์เมี่ยอกศรัทธาเขาจังมีน้ำอยู่เอามาแหลกเนอหมักจุกอันเปินรองหวานไวปน้ำแย่เมี่ยอกเขาว่าเน่าเป็ดกมีเมื่อพวกเอามาแหลกเนอค <c oughs> ือได้มันใกล้ในการสร้างนาหอต่อเฮิร สมัยก่อนนั้นในการวัฒนธรรมของเราได้หับเอามาเตะเมืองอินเดีเมืองกะลาวัฒนธรรมเมื่อก่าเมื่อก่อนนั้นการว่าโพที่นนเนี่ยมีที่ไหลไหวนอบสามปอกไอนอนเอาพร้อมโหนี่กี่สยายหละเจดฝาตีเนีจังตีนนอนอันนี้เมื่อก่อน ป่วยเลียวไข่ลับก๋วยแยข้าตีนนอนกันเรืองวัฒนธรรมเมื่อก่อนเราคำสอนโบราณปานเก่าโผก็ดีเมื่อก่อนน่ะเฮ็ดเวกเฮ็ดการสร้างนาห่อโตขนเอาใจใส่ลูกใจใส่มีแต่ป่วยเลี้ยวเหมือนก่อกรมจังไว้ไว้ป้องใจไหลหนะเหมือนอันก่อจังมี ในเมืองเมืองหนึ่งมีสองกูโผกูเมียเป็นตุ ก, กตาผานอยากเหมือนกันผมเหมียวเสีท่าผานอยากเหมือนกันก็แต่ว่าสัมเหมือนกันกูหนึ่งพิศกันตุกคําทุกขืนตุกตุกวันนีพิศกันอ่ะวันไหนพิศกันมีวันในเจ็ดปอกว่าะผมเหมียวเสีท่าพิศกันนี่ ซ้ำแทงเธอหนึ่งมพิดกันสิป่อกว่ากำฮี่กำเนก็มีวะกันโพหมอขานเจา้าก็มีหมอขานข้าวาปากจ้าหมุนหูกินเขามีสังกับเอาปิจำแกมนางไอ้กินก็ยังหวานผมพิดจากกันพีาเจ้าเมือง ซ้าไข่จามตัวใจทั้งสองกูโผลกูเมีนี่ห้องเอาอันใจอันกลมพิษกันสิบอกนี่เข้าไปในวังเข้าไปในคงคุ้มหอได้ข่าวว่าสู้สองกนี่พิษเถิงกันสิปอกใจฮะใจข้าสู้เป็นคอนตุกผานตุกกรตามใจฮะใจข้าสูจังขลาเงินขลายคา ค่ะได้ค่ะเอาคำมาปั่นปั้นหนึ่งผมเหวี่ยงซัตตาสืบต่อไปนี่แจดวันหือสู้สองก้อนี่พิษกันเอาคำมาปั่นปั้นหนึ่งกันว่าสู้พิษกันลายนี่คำปั่นนี่เอาไปกินไปจ่ายแล้พระเจ้าเมืองปั่นมามันใจก่อปอกมาถึงเฮือนนางมาเก่าวเมื เป็นกำ ม, มานว่าเรียกว่าคำเฮยหูใจมีแป้งรักกำวินปางก่อนปีเฮยกูปีไปสนามคำยอดฟ่าเขากันแห่งเจ้าปั้นื้อตอนคำ กวันเต็มที่ทุนวาดอับคำสั่งตื่นมาท้าว่าเราราพิษกันนั่นซาตานสิงมอหรือข่าวในกาคำหนึ่งปันเต่านี้จึงจากแบ่งหือปันไว้แก่เรา ฟังต่อคำเป่าใจที่ทุนปีรักจักก่าวปันนางสังวาเราราที่แปลผิดกันเสียงอือดังดังเขาหืน้นไต ใจจ่ายคำปั่นถึงตายวายต่างตุกถึงสุขดีกว่าสังวรากูหักเบาพีดปึงใดคำนี้หากห้ามเลนา่าอุ้ยนัวนางตีหักปิมปักปีแฝงนอนจาก่อนกาเป่นฮือ วันมือแต่งอุ้นมองพิษกันนอนตุบานคำลานปีจังใจต่อเนื่องว่าฮือเมนั้นพิษปีรอว่าพิษปีรอ้อคำปันหนึ่งนี่อันพยาเจ้าเมืองปันมาเนี่ยที่ได้เป็นของเฮาเย้าก็แต่ว่า ท่าน้องพิษปีเยี่ยนี้คำปันหนึ่งนี่หิมปันนางเหนอปีเตียวไปกินไปตานนางได้ยินอันนั้นสาอนุโมตานาเอ้ปีเหยืดียี่ปีเอาไปกินไปตานก็น้องที่สาธุอนุโมตานาคำนี้กันว่าปีพิษนางเ ย, ยว้ะ ปีไปเฮ็ดการเฮื่อการหมอยมาไพ่ติมาดาหมู่เขาและสมไฟไพ่ตีไปตีมาปัดปุกปีเจ้าไพ่ติมาปัดโบลุ่มลาไพ่ติมาจ่อยสักเสือสักผาปีมันก็มาคิดตัวยตังหลังตังเหมือหักกันใหม่ๆเหมือนว่าเหมือเจ้านะนะั่นน่ะกินเขาปี กินกลมเป๋ใจหา้ากินเข่าปีป๋ากลมเป๋ใจขาได้กินเข่าปีกลางปีแกมปีนาจังตี้เป๋ใจปีคาคําหักนางเฮยคิดถึงกรรมเก่าเมือหักกันไหมใหม่หวะกาจูมาอยู่จอมกันนี่สาปีละกลมปิษเถีงกันสิ บ, บอกว่ากอดหลอดอมพิษกันเน่ยในกาจูเจ็ดว่านี่คําอันนั่นก็ขาดได้ปลอเหนียวสะทาง คำมันนั่นก็คดัหาตั้งพิษก๋มจังหาตั้งไหนมือหนึ่งวันหนึ่งจําตีเต็มทนเจดวันอยู่ะก็ไปกลางหน้าว่าหน้าเงยหุงเขา้าลอยปีติไปหาพักมาไปกลางหน้าเราไปแกบเอาหอยห่งหอยอันมีไหนนั่นไลมาเป็นซาเอามาปั่นมี ว่ามาปันเม่กรรมนี้แต่ลายพิษเม่เตี้ย เ, เ, เ, เ, เ, เอาหอยเป่าเลยมาแข็งปันกันกินนี่ที่พิษมันคืออะไรมันก่อปอกมาถึงขั้อาปันนั่งมีว่าน่องปีเอ้ยไปเอาหอยนี่ไปแขงแล้วเนอปีที่ไปกินแข็งหอยแกมันนิ่มกินซะเมมาตัวหอยอันไหนก่เป็นอันเป่าอันหาม ก, ก, กรรมนี่เมีก่อคุกใจอะไรอ๋อปีเขาหนี่ไข่จามใจเขาเครู้เลี่ยนไปกาดไปซื้อเนื้อมาผักใส่ตู้ในก็มีเนื้อสิ่งๆในหอยนั่นเอาเนื้อมาผักใส่แหละเกียงกันนี่เกียงย่อามาปันโพกินะมาลอปีเอ้ยมากินเลอะโพกก็ามาหนังใน่ดีกรรมนี่ไรผิดอ่ะเหตุที่ก่อไรผิดอ่ะเหมือ น, นี่แ กันนี่ยุบเอาหอยมาจุบเต้ตัวไหนตัวไหนก็มีเนื้อในมันนะมียกเสตท้าก็เมื่อไรพีดอะมี อ, อกสเออกสตท่าเขาก็เอาใจโผล่ขอเนอมือดีวันดีก็ไปซื้อเนื้อมาปัน่นผงวันไหนมีพักก็ไปซื้อเนื้อมาวันนี้อะสั่งโผ่หนากอดใจดำไปกอซื้อเนื้อมาแกงลิงดีๆโก้เขาไข่พีดเขา สุดท้ายมาผมหย อ, อกสัตยทาสองก็โผเมนี่มันจั่งพิษกันไหลยย้อนเปิดสังย้อนเปิดเบมีขันตีอัดกันโผไข่าจามก็มีขันตีอัดกันแหล่แนไปซื้อเนื้อมาพักใสเหลมพิษกันไปเข้าใจเอาใจสึ่งกันแลกกันมีตีอัดอัดกันต่อกันประวัมอัดกันต่อกัน พิดกันก็มียักษาพิดกันอัาลุปอสู้นี่หนอจะอีกอ่เฮ็ดเอาหอยเป่าหอยห้ามมาปั่นกันแกียงก็จังพิดกันไหลคำนี้ขอบทุนเจดวันย่ากเอคำปอกไปส่งพีาเจ้ามึงว่าขาเข้าจังพิดกันไหลขาจังพิจกันไหลขาะมฆในหมอเอาใจเตะ ถ้าหาตั้งพิษต่ อ, ตอตเจ้าพอตลอดเจ็วันนี่กว่าหาตั้งพิษน้ำไรลแเอาคำมาส่องอคำหนิมเอาวาว่าผานก็อยู่ตามผานวะเฮินตุบยุบก็อยู่ตุบยุบตาบยาบก็อยู่ตาบยาบยล้วเอาะเอาะค่ะคามีเมก็นี่กว่าเดียวกว็พอแล้วอะนำตานีไหลลงมาเหมียวศรัทธาเขานำใจเมดีลง คำนี้พยาเจ้าเมืองกล่อมเอากลอมเป็นสั่งว่ะเออซุม่มผิดกันกอดเดียวอ่ะคำหนึ่งปันนี่เอาปอกปันตุ ก, กตาเขาเมื่อใจมือใจผ ม, อจมเอาแต่พยาเจ้าเมืองปันอันนี้กอโดยอานนี้สองของขันติมีความ อ, อดกันแฮตฮือเกิดประโยชน์สุขปัจจุบันตาหันคำเดียววะผมเหนียวสะท่า แล้วก็ในเมืองนั้นยังมีแทงกูโผกูเมืองว่าก็เหมียวสะทาอันนี้พิจกันตีเตี้ยวันหนึ่งเจดปอกสะทาบอกว่าวันหลายปอกสองปอก <laughs> พิจกันตีตีว่าผมเหมียวสท้านะ ทีนี้จักไข่เคานสองผ่านตุ ก, กตารือ น, นันยังมีแถมก่อนและเนอในกาผู้เลมีกูซ้อนอยู่กินร่มสร้างสุกน้อยเบามี วันใดพิษแผกกน้ากิจ้าวันหนึ่งเจ็ดยามกาจูมาตามกับกันถึงวันนี้ป้อมีครบสามสิบเขารู้กาพิษกันวันวันเลสิ่งนั้นปัญหา ดูศาสตร์พุทธศาสตรหินเบาซื้อแห่งพื้นแผ่นผาจักไว้หนุ่งใบยามยามพิษแผกหน้าเกจจ้าถามแบ่งพื้นโคตุกมือเมาโ ม, ามาพิษกันหาตั้งดีเบามีสักหน่อยกันว่าพิษ การสอยฟันผักผาหืนติ้นทีบเอามีดฟันแถกยาตูบเท้ง่างสิ่งขึ้นซ้ำแต่งมี ตั้งในเขาเบาฮือขาดซ้ำตุ้งมือใจดำกันว่ามีปากกําดีผู้ชายังำํำท่างานงานดังปานจะขาแมลยนาอันนี้หืนหมาดเอาติป้อตียอมันมีออกสัทธาก็ฟังออกอยู่หนอตั้งปุ่นนูจังออกฟังได้หนอ มันใจกำมึงนึง <g ots> กกบผมหยวกสัทธาเขาฟังมูติป่องมันคอนเทาเตติหู้อยู่คนหนุ่มคอนสาวติมหู้แตมมทนสองกโพเมตุ ก, กตาเนี่พิษกัน ว, วันหนึ่งเจ็ดปอกว่าผมหยวสัทธาพิษกันยาวติป่ายกันอะ มีพามีโคก่อมาแหว่งกันหิ่มกันอยู่ตูบอยู่เถงก่อตินเอาผ้ายาตินถีบพอว่ะพอปังไอสิ่งกันนี่พอดีกันมาสมหว่าเจ้า ว, ว่าคาอยู่กับผมอย่งางเสีท่าเมือตที่นอนมาสมาจอยกันเตียงกันเมยอยู่ตุบเถงเขานั้นกันนี่พอพิษกันยาหุงเขาอยู่ก็เอาสายเพราะแคถอกแปะนะ กันวายอยากมาสมาช่อยกันแก๊บแก้บเข๋เขกินอยู่อยู่กันมาได้สามสิบปีป๋อมเียวสถทาข่าวนี้ลือหนาะไปถึงหูพีาเจ้าเมืองพียเจ้าเมืองก่อห้องเข้าไปหาป๋อมเอียวสถทาว่าเป็นสังเหล่พิษกันห้องโผไปโผกลับลู เมคานิมันดีหมอป้องหมอดาหมอบุญหมหฮีหมอเน่ห้องผูเมื่อถามผู้ก็เมื่อถามมีก็ผูมันเมก็ว่าผคานี้หมอเฮ็ดโมหาว่าในหมานี่ว่าเข้มเป็นปวใจนาลืมนาหลอกเปิดเฮ็ดข่มเฮ็ดเปิดหาก่มหาเปิดมือก่มมือ เล่งหน้าหอโตเฮิร์นของกลุ่มะข้าเข้าจังพิษกันคขาวันหนึ่งเจ็ดปอกดีๆค่ะพี่ได้สั่มดีกันอยู่อ้างป่ายอ้างหนีกันอ่านผมทุนอ่ะผมเมียสัทธาแต่กลมจังเปียดกันได้กำนี้พิยาจำเมืองห้องผูมือปันขํามาปันหนึ่งในกาโจเจ็ดวันนี้อย่าพี่พิถีกันว่ากันว่าพิเถีกันนิมปันอ่ะ ผมพิถึงกันนี้ที่ปันคำปันนี่ไปใจ้ไปจ่ายคำปันหนึ่งนี่เป็นมหาสถีได้กำเดียบมือก่อนผมเดียวสถานเอาปอกมือกันนี่มือถึงตุบน้อยตเฮืนมันก่อมว่าตูว่าสูมากเมสุ้ยมานี่ล่ะวันนี้ไปหาพราเจ้าเมืองมาเปินปันคำ ม, มาปันหนึ่งวะ่ะ สั่งมาว่าอย่าพี่เออเฮาพิถีงกันว่าคำปันนี่เหิือนที่ปันเฮาใจเฮาใจอรูดีเออปีนอหอมพิถกันต่อไปนี่ผมพิถกันจะนี่คำเหนียวมาปันน้องจ่ายเสียงเหนื่อยแการนั่นไลจาดยอกมึงไพ่าที่ปันมึง <laughs> กันมีคำปันหนึ่งนี่ที่เปี้ยมมีน้อยกันหนิ ติเปเาเมน่อยเมก็อซ้ำว่าอย่าไปเอาเราเมหน่อยเมนางเอาคํา ม, มาปั้นตีไปสื่อหมุนสือน่อแปงโคใหม่มาหนุ่งมาย้อนก็งามมาเหมือนสาวสิพาสิพอกเสพปีเอ้ยว่ากันนีมันทำน้ํนนาลายใส่นาคำเดีวเอาติไหนมาว่าของว่ า, ทาเทาไปหิวท่านนี่เนี่ยเอาหมุนมาตาเลยงามเหมือนสาวนี่กํามีก็ว่า พิษเถีงกันกั้นกันหิมกันวันหนึ่งไล่เมียกศรัทธาพิษกันเหรอเมียศรัทธาเขาจังมีตั้งเจวิหารพุนงตั้งหนิมมีกะตั้งนิมมีหนอวันสองปอกไกกะพิษกันเถียงกันผมเมียวศรัทธา แวันไม่ไหลพอการเถมโทนแนจดวันมารอดตเตมโทนแจดวันมารอดแล้วเอาคําปอกไปสองบรรพยาเจ้าเมืองวะ่ะอ่าขาเขาพิดกันไหลขาพิษกันไหลจาามันตึ้งพิษกันหนาขา คำนี้ค่ะคำเอายาว่ะค่ะคำเอายาวอาปอกส่องขึ้นน่ะกำนี้ก่อห้องมาถามตึกก่อผมมีวาซูสองก้อนี่ใครอยู่กับกันห้าใครเปรียกกันหน้าว่ะผมมันก็ว่าใครเปรียกหนึ่งก็เปียกสองกอเปีย่ะเออพอเปียกนีกอทีจามกล่ำด้วย นางนาดสนมอันอยู่ในวังนี่สิพาสิพอกระแกะงามวังงามจังขะไยมันยกมือไหวป้อนหูกแูแบบขลัยค้าไอ้คำนึงไพเหล็มขะไยนะบอกเนะาะขค้าว่ะเพราะฉะนั้นนี่บอะขาลัยเอานางนาดสนมในวังนี่สิบเกาะ เอาเมมึงก้อนหนึ่งเอาไปใส่ไว้ในทำหมื่มืดนเฮ้ยมึงปอกตายไปลูบ ก, กําเอาจันเอาก้อไหนออกมา ก, ก่อเตี้ยวก้อนั้นปันนะะนางนาสนอมนี่เอาไปไว้ในทา ม, มันก็มาไว้คุบไว้คุบตึงปังหาผีคู้นี่ย น, นะเอาพา้ามัดเอด้ดีๆเข้ามือบ่เมียไปลูตัวมื อ, ม, อมืออันนั้นก็หมื่นละหลอดไปไหว จับใจวะในใจก่อนอย่าป <ng> um um ิ้งยอย่าเท่านี na, ่นอย่าพิ้มาทับสยาเท่าก่อนี่ในใจมันนี่รู้มือว่ากับนี่ไปยุบใส่นั่งยิงก่อหนึ่งแมวข้ารู้จับใจน่อยเอ้มึนละัดโนนยุ่มยุมอ่ะน่นโก็บมูน่าย้ำเลยจับ จับใจนะวะเมียเอกศรัทธาเขาว่ามันก็เอาก็นเนี่ยเป็นมานหะลากจุ๋งแขนออกทำมายะพาติตาตัวหันเป็นยาเท่ามากอกปัดกากออกกันอลยจาดยกมือการนี้ไปไว้สาพียาจาว่าอ้ามตาตื่อค้ามตาตือ่อเหมือนเจ้าคาลืมสวร์กรถาวะ ลืมสวดคาถามต้าเตอะครับอะเออเอาบอกสองก่อนเลยอกสองว่ากับนี้ในใจมันนี่กูไปทอปสยามเทานี่ไหนเนี่ยอะเอาไปศูนสารรอ ก, กันหันถึืองนางหนาสนมในวังซิปหาซิพนี้มันก็มาไว้คุปไว้คุปปางปากทำเมเตือต่ากฮับผีคู่อะบอกศรัทธากันกาถามมันมีเนอะถ้าแค่เอาเมือก่อนเล โอมติปจอนสว่ากูจักมาเติ่งปางหายังคูตั้งคูเก้าคูปายคูตายคู่ยังขอมากุ้มมางํามาจบสาวซิบหาคู่หนึ่งคือมามันมือกํำลูกคู่หนึ่งคือจบปอบสาวจีคู่หนึ่งคอจันเอานางมากอดคู่หนึ่งคือนํากูไปจอดสาวงามคู่หนึ่งอย่าคือกูได้ทบหญ้าผีย่าเทาโอมสว่า การถามมันนั่นอันนี้กัดนะเนอปอบเขาเน้อมาเตรียมมือเนือกำเนอปอบเข่าปลอยก่อนรับตาหีหลุบมือกัดนะวะศรัทธาเขาวะอืมมันกว่าอุ้มอามอุ้มอามให้เขาทำมือรู้มือว่ากำเนีอ รูปเข้มข้มขนาดแมวเสือทาเขาวะรูปมือมืออันไหนก็เหมือนการสิ่งสิ่งว่าอันนี้ผมใจอันนี้ผมใจไว้ อ, อันนี้เป็นยาเท่ากันอันนี้ใจทีที่วะรูปมือรูปไปลูบมาสามสี่ห่อไปจับใส่ทั้งมือนุ่มแมวเสทาเขาวะโน่นจับใจห่ะการนี้เจ็บใจเตีย้ยอบอ มันกอจุ๋งเอาแขนเนี่ยเมมนกันตักสิงมันกอจุ๋งเอาแขนหลากออกทำรร ม, มาะมายาพาตาตาตัวกูเวียนติ้นถีบกันเดีอ้าลูเป็นยาเทาหูซานี่กันหน่อยอ้าคูนี่ยกคูมากำ ม, มางุมอผมเมียสีทาก่สุดท้าย ชนสองเผ่าสามตีกลมจ่างเปียดกันไรล่ะผมเหมียวเสาธาณนะอ้าผมจ่างเปียดกันไรก่อยเยาะสองก้อสุนี่อย่าพี่เปียดกันอ่ะฝันอาจยาอำนาจลงมาเปียดกันไหล่อ่ะกามสุ ป, ปันมาจอมกันอ่ะเ <c oughs> มียวปอเอาคาถาอีเมอรอ เามาวน่อ็อมเลยนะกำมีออกแหวนกอบคอขึ้นนี่กำนี้ทูนสองเผ่าสามตีแบบบอกก็มื่อจับใส่เมยเกา่าทีว่าเมยเก่าเมยเท่านั้นกำนี้พญาเจ้าเมึงหายผูดแทงกำหนึงวะ่ะโปะอันนี้ว่ะ ก๋อยที่พายโผดปันการว่าเอาฝืนก่างปื๊ดขึ้นเมือเมืองฝ้าตอกลองปักใส่สั่งก๋อยปักใส่แผ่นดินก๋อยยอกแผ่นดินนั่นปั่นอ่ะปักใส่ตอนไหม่ลุ้นโหลนักก๋อยก๋อยเอาคาจังให้ปันว่ะจามตดยกามนี่มันก๋อยฝืนก่างมาใส่ผาถนาดีๆเลยนะปื๊ดขึ้นเมือเมืองฝ่าบอกเขาตอกลงมาปักใส่สั่งปัก ปักใสมากกอกแฮงมันติดนักก็หื้อหนึ่งมากกอกแฮ้งอันนี้จึงได้จิว่าจาตามากกอกแฮ้งว่ะเมียเขาเคยได้ยินอยู่จาตามากกอกแฮงพีาเจ้าเมืองก็เอามากกอกนั้นมาจังคำไม่เหลือปันเมื่อกินหายใจเสิงตั้งเลยติดเลยตานอันนี้เป็นเรื่อง ผูผิดเมยกักอันติวานี่เมื่อก่อนเนิ่มใจติเฮานี้ผูผิดเมยกักผู้เกี่ยวเมเสียงเมื่อศรัทธาเขามีขันติออดกันอยู่จอมกันสร้างนาวโหตเฮิร์นกับกันก่อยว่าก่อยจ๋าก็ติกายเป็นผู้เกี่ยวเมเสียงแต่ถ้าว่า หมูหักเปลียงกันมีขันตีอัดกันต่อกันให้ต่อให้เมือกต่อเมือกมาพิษกันวันหนึ่งเจ็ดยาเหมือนผัวเพลิดไม่อยากในส่วนของการสร้างนาหอต่อเฮิรนมีขันตีอัดกันเยาสซัมที่ใดมีความหูสองพักการความหูตังโลกและความหูตังธรรม เหมือน่มออกศรัทธาเขาได้มาติบตาในวันนี้ได้ฟังธรรมะได้หู้เรองเป็นไปเป็นมาอานีสงคของขันติความ อ, อดกันนนัมีพระลาอานิสงเอาเรองผูเกวมีติผู้เพียรเมยักเป็นกติสอนใจคิดถึงวันหักกันใหม่ๆ นำพักตอมยังหว า, วานกือจางก่อยังหวานพอผ่านไปถึงนานนัมันจางเป็นหนังแข็งๆยังไหวายานบอกไข่ตุยมีขันตีความออดกันต่อกันในการสร้างนาหอต่อเฮิรนความหู้ตังโลกคือวิจาปัญญาในการสืบแท้สืบสร้สางนาหอต่อเฮิรนก้าก้าขายขายกู่กันมือ โปติก้าที่ขายทมพ้าเจ้ากอสอนไว้หวใจสี่ขออันนี้ก็เป็นกรถาเทงอ่ะมานสาวผมใจกรถามานสาวแต่เป็นกรถากล้าขายโอมออากาสะ อ, อากาสะพอฟังกันนี่มียออกศรัทธาก็ก่อมหูตีป่องอีสั่เป็นออากาสะ เหมือนก็ซักไหวติมือมาอาอุเหมือนก็ซักไหวตังสายตังขวามาอาอุซักไหวตางหลังพูดทางกับกับทำมังกับกับมันป่องสังป่องซัต้าเขาพอหอมหูติป่องกัดถามกัดอุอากาสะอุปาลีว่าอุทานาสัมปตาใกล้ ตีย่างตีซื้อตีขายตีไหนเปิลซื้อซั่งขายซั่งไรดีได้นําย้อนก็แฮดอันนั้นอ่าได้มายารักษาไว้หือดีรักษาไว้หือดีนั่นแบ่งเป็นสามปุ่นปุ่นหนึ่งเอาไว้กินเวตาลปุ่นหนึ่งเอาไว้หื้อหลูกหือหลานปุ่นหนึ่งเอาไว้ยาโตัเจ็บไข้ได้ีผดเมื่อยามเทาจรามาก็ กาเลียนามิตตามีมิตรสหายดีมีป่อเสียวดีเม่เสียวดีโจรกันเฮตดในต่างติดีสะสมาจิวิตตาเป็นอยู่ฮือถูกต้องตามตำน้องกองทมกฎหมายบานมึงมีสี่คอในเจริญคืนใหญ่ใกล้หารักษาดีมีมิตรสหายดีใจ หมอใจหมอจ่ายใจชีวิตคื้อถูกต้องตามตำน้องกองทำตามหีด ต, ตามกองกฎหมายบ้านเมืองเปิดหามสัง่งก็อย่าปีแฮดอันนั้ น, ห, น, ห, น, ห, น ห, หีดเหมือนหื้อกองเหมือนหื้อเปิดหื้อแฮดก็แฮดอันนั้นการกลุ่งรุงเริงท้ามีกาถาวัดหนึ่งไข่ปันไม่ออกเขาในวันมือนี้อ่เวลายังเหลือแทงอยู่ หมอกสิบนาทีกระทามเมทา่าใจเมทานังเหี่ยวนะมเมทาฝากไว้เมออกซัทธาเขาจํเอาเนอะกระทาสาวหุ่มกระทาสาวหุ่มโอมผ่ามือจาตีนาใหญ่ ไต่เงินยาวสาวหุ่มติดพอ้อเทกแมวสือทาเขาจังไรเตอร์โอมผ่ามือจาตีนาใหญ่ไต่เงินยาวสาวหุ่มติดเอาว่าจอมกันิ้งไรอะ่ะฝ่ามือจาว่าแหงอิดหนึ่งหลอฝ่ามือจา เต็นาใหญ่ไตเงินยาวสาวหุมติดขวาเท็กฝ่ามือจาป่องซังฝ่ามือจาใกล้เฮ็ดการควันมือเก่าปานก่อนเฮ็ดเวกเฮ็ดการเฮ็ดไห้ใส่หน้ายุบเสียมยุบขอบายุบมิดฟันไม่ผ่าโลมือนีจาเป็นเหมืองสัทธาเขา ฝ่ามือจานี่ใกล้เหตุการณ์พอฝ่ามือไอ้หนานซึกใหม่ๆหมื่นละหลอดอย่าไปเอาทุกปีเขาซึกเนี่ยฝ่ามือเขาหมื่นละหลอดครับที่กินเขาคือมมเมมจีนี่ฝ่ามือจา่าเตนาใหญ่เตนาใหญ่ปองว่ามีหมูล่าขา ก, กุนหลายมีโ ห, ห, โ ห, หัไห่หัวนาหลายนี่ห้องว่าเตนาใหญ่ไตเงินยาว มีเงินคำหลายเป็นค่อนหังเป็นค่อนมีพวะเทิกติดหือหูไปกัดสามตัวนี่ฝ่ามือก่อจ้ า, จาตีหน้าก่อใหญ่ไตเงินก่อยาวสาวหุมมีออกเส้ทธาเอาไปสอนลูกสอนหลานอย่าพิษสอนได้ดายแต่คือมีอธิบายเข้าังดีป่องใจ ไอ้ใจว่าไว้เนิอกระทาสาวหุมว่าฝ่ามือจาตีนใหญ่ไต่เงินยาวสาวหุมติดพากกันนี่ไว้เขาก็มููติป่องมันใครหือสาวหุมไม่ถื้อฝ่ามือหลุดจานั่นติพอฝ่ามือจา่าไก่แหตการตีนาก็ใหญ่มาโปตีนาไปตีนาใหญ่มูลค่าคุนนําหมอแฮตหมอส้างมาเงินคําแก็บก็มีมาสามข้อนี้เป็นกระทาสาวหุมเมีย อ, อกศรัทธาเขาลืมลืมเต่ หรืมอมียหมอกอันนี่เดคนเทาก้อยๆนี่อันฟังอ่ะคนหนุ่มมีหลายก่ออันนี้ฝากฝันผมเหนียวสัสธาในการสร้างนาหอต่อเฮิรนในการสืบแพทสืบสร้างการตั้งหลงตั้งหลายก็ดี ได้เป็นคูได้เป็นขุนได้เป็นปูเกปูแสนได้เป็นกรรมการแห่งการนานาต่างๆได้สร้างนาหอต่อเฮิรนตึ้นแต่ได้มีขันติความอดกันพอเฮาอดกันได้พอเฮามีสติปัญญาในการอดกันได้ผ้าหมาดลองลืมนั่นาการเฮิรนก็คืนใหญ่การวาดวากว็คืนใหญ่ การตั้งหลายก็คืนใหญ่เหมือนปมหยอกสัท t เข้าตังวานหม่อนเหอเข้ากามสองปีออโตเมติกกามองังกฤษอีหนึ่งคือติดต่อกันแซดต่อกันมาก็อาศัยติดปมียอกสัท t าเขามีความสามกีปัดกันจ่อยกันว่าป่ากันปออ จังเป็นปริวาสากรรมปอกโทนตีหานี่ขึ้นมาปอกโทนตีหอกได้ข่าวว่ามีมีก่มหูทามีกว่าตีมีแทงไก่สัทธาปมอมกเข้าตีเฮอตุกปีเขาเต็มกะหือห้อเฮอเต็มเฮอมันก้อนเงี้ยมมอยากสัทธาเขากำลุกกำหนังเตี้ยเหลือใจ ผู้คนหนุ่มคนกรรมก็ยังจังก้อนจังเมยขาแนดขาก้อนไม่ใจขาเหมือนนะก็โดยตีประเมยียกศรัทธาเขาเนี่ยมีน้ำใจจ่อยกันว่าปากันฟองมีความขันตีอดกันจังใหหรือปางปริวาสกรรมนี่เกิดขึ้นมาแล้วก็ได้ฟังน้ำทำครรมสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากตุกปี์เจ้าหลายตอนมาเตเตะสนานในผมเหียวสัทธาผมเหียวสัทธาก่ออะไรเอาตอนได้หนึ่งอิฐหนึ่งออดถ้าว่าเอาไปกำจ้างปฏิบัติใดขันติตูเดียวเคยก่เอาปอนตุกได้ผมเหียวสัทธาเอาปอนตุกได ถ้าว่ามีขันตีอัดกันสร้างหน้าหอตเฮิรนกาะขึ้นใหญ่ไลยวันนี้ได้มาเตเตสะนะเนปผมเหยียบสัทธาเขากมคิดว่าผมเหยียบสัทธาเขาที่มาหลายแต่นี่ตุกวันห่างอีหล่องสองแสงไว้วันนี้มาหลายหันสทัทธามาหลายาปู่แสนตุก ป, ปีเขากาะประกาศไว้ในใจผมเข้ากำได้เปลี่ยนปายเลยค่ะ แต่น่เขากรรมจางให้ถือกอบปันวาระนาตีได้มาเตเตสนานเนปผมเหวี่ยวศรัทธาเขาอันเขาปริวาศักดรรมยังเหลือแทงฮาวันเนอผมเหี่ยวศรัทธาเขาแทงฮาวันยังมีพผาปีคู่เขาเจ้าตอนทู่รักจลาดผาดพายมาเตเตสนาธรรมเนปผมเหวี่ยงศรัทธาเขาในวาราติสุดท้านี้ กาติปัปนป้อนผมเมียกศรัทธาเขาหลายก็ไปฟังคำเซินเหมือนอที่เซินเรินกับหัวปีแล้วเริญไปวอดหนึ่งมีศรัทธาเขามาวหว้ตุปปีเซิญเสียงกึ๊ทแทงสองคอ อ, อะเซิญเสียงกึ๊ทแทงสองคออ่ะเลยมากล่าวปันปีนี้มาคือเซินเนอรเนาำเมียกน้อ ก็เป็นวารากำปอนอถูกใจน้ำขมเหมียนใจปา๋าอันหวานอันนะี่ยผมเหมียวสะทามีกำปอนแล้วก็เป็นวาราสุดท้ายเสิร์ฟปั่นป้อนผมเหมียวสะทาเขาลาเบโกกัน สัทธาตั้งหลายเอ้ยหนุ่มเท่าการเข้ามาอยู่วิหารมาฟังตูหลานติติดตูลูกที่ไมายเมตวารากกัมปนอันว่ากัมเสนีดูนาที่ว่าเบาซื่อ ก, กูสัทธาได้จำเมียนใจน้ำกกูเบาเมียนใจปลา เมีในใจสะทากก็กูเบาเมีในใจตู้ปีเขาเจ้าเมีในใจควอนเทาก็กูเบามีในใจไม่ห่างและนางสาวอันว่าตู้ดวงนี้ดุงนาไปวัดไหนไปบ้านไหนลูกปืนกอบพ่อจางนายเพราะว่าเขาบายตู้ลูกพ้อใหญ่ตาห น, น้าเค็ญเออปี ซึกไปเป็นเคยเป็นลายะเหมียวไงเข้าวายก็ใหญ่ตาหน้าเค็งนี่หายหนึ่งเฮะสองปอกฟังเอาเน้อตู้ลูกตี่ปั่นปนจุงยอมือย้อนหนังไวก้กำมีกาวไว้ว่าสับปีติโย จะอันเทาหลังกูก็คือไรหลังยีดสปาโรกูจะอันน่าต้องไรเหมือนขีดก็คือปอกใส่บ้านคือมีรูปสุมนุ่มข้านอย่าเทาเจ้าหน้าหิวยาวก็คือปอกเหมือนสาวเนื้อปีแท่งวอดหนึ่งนี่เป็นมีออกขาปั่นมานี่ คำเอ่ยซาทาตั้งหลายเฮ้ยอายุอือมีอายุมันแก่นยืนยาวเอือได้อยู่ถึงสาวขูบเข้าวันน้าอือมีรูปใสเบาเศร้าป่านนางติดมึงบอลสุข้าก็อือสุขตัวสุขใจไปอยากขาดประลาอืมีกำลังอาจขาดแข็ง ฮึ่มีลูกหลานเปรีงต่อเท่าฮึ่มีออกเขาเจ้ า, อาแอวแค่วพ่อเหมือนดังแอวเต้นฮึ่มีออกท่าเขาแอวแวนฮื่มพ่ อ, อเหมือนแอวต่อดนาพ่อซิมโซโลเหมือนพาแล้วฝันหนึ่งปีอันนี้ซัทธาบาอกฮื่มปั่นมาหนึ่ง ปีแล้วมันมีอแอลแคลวเหมือนแอวแตนก็แหม่เมียก็ว่าหรือแทงสองข้อเอามาปั่นไว้ที่เหมือปีกายอะจำไรก่อมาเสิร์ฟพันปมเมียศรัทธาก็ฟังการตีสนารมในวันเหมือนี้ก็หันว่าซ้อมโกนแก่กาบลาเวลาเอาเวลาก่อที่ไหลมาแทางอีนหนึ่งนะป่มเมียศรัทธาเขาแปดโมงประสังข้าเจ้าก่อที่ไหลเขาสมาทาน มานัดนะสมถานวัดสืบต่อไปปลายนาตีสนาวัสานีในติสุทท่าย่งธรรมเตสนาในวันเมนีขอเ ป, ปรอมีอักธาตุกภูตุขันจเริญไปโดยปอนสีพาการมีอายุคือมีอายุมันเกี่ยนยืนยาววันหน้าคือมีผิวพันุมัดใสสุขฆาคือสุขตสุดไก ป่าละมีกำลังก like ายกำลังใจเหมือนกันตุกปูตุคนสืบต่อไปไปนาขียาตีสนายังทมว่าด้วยเริงความออดกันนั่นนำเอาความสุขความเจริญมาหื้อก็สารเจ้าบูรโมลการะโกนเต่านี้ก่อนแล ตนดันโลกชินโลาธรมตัวูทุกคนค่ะสาธุสาธุพุทธรัตานังธัมมรตานังสังขารัตานังกายกรรมวาติกรรมนุกรรมสิจตโตสามสิจตโตสาม บาจูปันนาโตชันนานาโตชันสาบาโตชันุตทาธรรมสังโฆขามะทาโลพันติุตธาราตนะังธรรมราตนังสังขราตนะังกายกรัมวจิกรรมมโนกรรมสังติตาติตาตูสังขารตูังนาตูสังนาาตสัง สัังสปะตสังุเหคมมีโกคมามีตปังสปิติโยวิบัตินุสัพารโกวินาสตุมาเตภวตันตรายโยสุขีติขายุโกภวาภิวาตนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมาวันติอายุวันโนสุขังปาลัง